บางคนมารยาสาไทยนะไม่ซื่อหรอกพอานามไม่เป็นนะก็หลอกครูบาอาจารย์ว่าพอานาเป็นครูบาอาจารย์ก็เลยท้อแท้ใจที่จะสอนอันหนึ่งก็อาภาษน้อยสุขภาพใช้ได้อันแรกเลยมีศรัทธ า, อ, าองค์ธรรมของคนที่ปฏิบัตินะจะสำเร็จได้ผลดีหรือไม่ดีนะอันแรกมีศรัทธาหรือเปล่าอันที่สองสุขภาพใช้ได้ไหม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 ครูอาจารย์สอนอะไรก็รับฟังเรียนกันยังเรียบเรียบง่ายๆเหมือนพ่อกับลูกอะไรเงี้ยภาวนาจะสบายกานที่สี่นั้นต้องขยันปรารบความเพียนคือพอเราไม่มันยาส า, าไทยเราเรารู้ในะกิเลสอะไรของเรายังมีกิเลสอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญเรารู้แนละ้วเราก็ปราลบความเพียน อาคูสดยังไม่ละก็หาทางละเสียอาคูสันดยังไม่เกิดทํำยังไงจะไม่เกิดคูสันไดยังไม่มีทําให้มีคูศันดมีแล้วทําให้เจริญมีความเพียรสัมมาวายามะหนะึ่งตัวสุดท้ายข้อ5นะรู้จักการเจริญปัญญาเนี่ยสำคัญนะอย่ม า, มาทําสมาธิเฉยเฉย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 ทางอยายตนะต่างๆที่จิตเกิดดับความปรุงแต่งคือสังขารเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยก็เป็นอกุศลใจเราเดี๋ยก็เป็นกุศลเดี๋ยก็เป็นอกุศลนะคนมีศีลมีธรรมก็กุศลมีโอกาสเกิดมากหน่อยใช่คาว่าหน่อยเพราะอากุศลมกักจะเกิดเยอะเกิดนานเวลารู้สึกตัวรู้สึกขณะเดียวนะแวบบเดียวสั้นๆถ้าพูดแบบอภิธรรมรู้สึกได้เจ็ขณะ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 นื้ออกไม่มีผมต้องดูแลอะไรบ้างเยอะเลยเนาะต้องตัดผมไหมต้องหวีผมไหมต้องจัดทรงผมไหมเหม็นเยอะนะต้องหาอะไรมาใส่บ้างไหมผมมันดาหาสีมาทาให้มันเป็นสีเองนอนอย่างนี้ก็ผมมันขาวก็หาสีมาทาอีกลงความไม่พอใจเปลี่ยนตลอด หัวเหม็นต้องทอําน อ, นอย่างน้นอย่างนี้ต้องสะอย่างน้นอย่างนี้แค่ผมเส้นเดียวนะผมบ น, นหัวนิดเดียวเนี่ยนพะารามหาศาลเลยนะค่าใช้จ่ายเยอะนะขนหมาขนแมวมันอยู่ตามธรรมชาติก็ไม่มีพารามากนะพอคนไปยุ่งกับมันยต้องพาหมาไปตัดผมอะแพงกว่าค่าตัดผมของคนอีกนะอืพาหมาไปอาบน้ําอาบเองไม่ได้แนละต้องพาหมาไปอาบน้ำหลวงพ่อไปเทศที่ไหนจําไม่ได้ เขามีร้านที่ไหนจำได้ไหมเออที่เชียงใหม่มีร้านนะแตกตัดขนหมาแล้วอาบน้ำหมาด้วยถ้าหมาตัวไหนอยากอาบน้ำอุ่นต้องเพิ่มสิบาท <c oughs> โอ้โอยางนี้ก็มีนะ <c oughs> นี่ขนาดหมามาอยู่กับคนนะก็มีภาระ <c oughs> บนหัวเราเนี่ยสินค้าที่อยู่บนหัวเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะตั้งแต่หวีใช่ไหมมีเจลมีอะไร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 ใครเคยไม่สระผมหลายๆวันไหมแบบมีธุระหรือไปไหนมาไหนไม่มีเวลาสระผมหลายวันเหม็นสระไห ม, มตัวเองยังเหม็นเลยไม่ได้คนอื่นเนะี่ยร่างกายเนี่ยนะเต็มไปด้วยาพาระนะถ้าหันมองให้เป็นนะทุกสารพัดเลยนี่แค่ผมอย่างเดียวแค่หัวอย่างเดียวนะสารพัดเลยลงมาที่ตาก็เยอะแ ย, ะ, ยะเลยเห็นไหมอุปกรณ์เกี่ยวกับตา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 ไปหาเพื่อนมาเม้าด้วยไปรวมกวนรวมแก๊งนะจะได้มีความสุขสบายใจจนะาหาอารมณ์มาให้มันเสพนี่ปนรนิบัติขันห้านะมากมายไก่กองเลยมีภาระมากมายวันหนึ่งวันหนึ่งเ<ม>ยอะแยะไปหมดเลยถ้าเรามีสติคอยรู้ไปเลยมันไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันเป็นภาระ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 ไปเที่ยวหาอะไรอีกนะท่านสอนพระโสพระสกทาคาพระนาคาพระอรหันนะเห็นสิกเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันัะไรอย่างพระโสดานะก็มีความรู้ความเข้าใจเหมือนกันนะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนพระนาคาก็เห็นกายเนี่ยนะเป็นตัวทุกข์แต่ยังเห็นจิตเป็นตัวสุขอยู่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 คนมานิมนต์ไปอินเดียบ่อยๆหลวงพ่อไม่ไปที่ถ้าเราดูเป็นนะขันเนี่ยมีทุกมีโทษเต็มไปหมดเลยลนะาบากถ้าเห็นทุกเห็นโทษจิตจะปล่อยขันถ้ะจิตปล่อยขันปล่อยขันหยาบ ก, ก่อนนะปล่อยรูปไปแล้วดูง่ายถ้าปล่อยวางรูปได้ในพระนาคา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 นี่เป็นมานะนะแต่ถ้ายังรู้ตัวว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกขมองไปเห็นครูบาอาจารย์ที่ท่านถึงที่สุดแห่งทุกก็มีมานะอีกเมื่อไหร่จะได้อย่างท่านนาะสู้ท่านไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ดีเหมือนท่านยังมีกิเลสโกรกปลกมอมแมมหน้ารังเกียจเนี่ยใจใจก็เป็นไม่หมดภาระนะเป็นยุ่งอยู่กับเรื่องการเทียบเปล่าคนอื่นเทียบเปล่าคนอื่นได้อาศัยคิดเอา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 อย่างจิตที่ทรงอรูปฌานจิตของพล่มกว้างนะกว้างกว่าจักรวาลกว้างกว่าแกเล็กซี่จิตของปร่มเนี่ยนะใหญ่กว่าแกล็กซี่เห็นแกล็กซี่เนี่ยเหมือนดาวเล็กๆดวงหนึ่งเท่านั้นเองขนาดของพลมใหญ่มากนะใหญ่ขนาดเห็นแกล็กซี่นะไม่ใช่เห็นพระอาทิตย์นะเห็นแกล็กซี่เท่ากับดาวดวงหนึ่งเท่านั้นเอง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 สมเด็จยานท่านเรียกสภาวะตัวนี้ว่าวิญญาณธาตุจันมหาบัวเรียกธรรมธาตุหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศเรียกว่าใจหลวงปู่บุร ด, ดาเรียกว่าจิตเดียวอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกความจริงก็คือจิตที่ไม่ยึดถืออะไรนะพอไม่ยึดถือก็ปล่อยปล่อ ย, ลอยแล้วมันคลื่น กลื่นแต่ไม่กระทบเป็นเรื่องแปลกนะากลื่นเข้ากับโลกแต่ไม่กระทบกับโลกเมื่มีความสุขนะมันไม่มีอะไรให้แสแบหาไม่มีการไปการมาไม่มีความเคลื่อนไหวเพวกเราดูออกไหมจิตพวกเราเคลื่อนไหวแต่เราก็ไม่รู้จะไปดูพระละหันตัวอย่างที่ไหนเนาะว่าจิตท่านเคลื่อนไหวหรือเปล่า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 เชิญไปทานข้าว